ผมว่าก็ยังสายทีดมาจนถ้นีก็มเวลามาแสดง้วตรงนี้เรื่องะจะเป็นจ้ดที่ควาดเดีทยวจะมีท้าเดครับพอจจบความคิดรื่องนี้แล้วก็เห็นจเวลาเําลานปึงขึ้นไปพระว่้งเ้านนะครับต่อไแล้วต้นม้ก็จะได้มาเรื่อเนื้อหาในประการต่อไปท่านหลายท่าเห็นว่าลักษณะเรื่องสไตล์ีนเนยมันจะาอย่างยื่นลักษณะเรื่องถาปตย์เนี เรอน้อยเรื่องขนานี้ไม่กล้าพักเสียงมือด้วยกันทั้หมดอเออาสดสุดสุดทางทหาจะมายให้ตั้งแต่ปวัติที่สองลงมาทั้งขบนพลได้แบ่งออกเป็นสิบแปดคณะเดียวรันปฏิวัติที่สองลงมาสั้งขบวนพลได้แบ่งออกเป็นสิบแปคณะเดียวกันหรือสิบแปดมืาย แต่ละกายแต่ละคณะมีพัศนะความเห็นขัดแย้งกันในการอธิบายปาปุของพระบรมศาสดาการขัดแย้งนี้ก็เกิดเนื่องจากคามตึงเครียดเองทีาา่จนะาปิดหน้าต่างรองรับมาอันเดียวกันแต่ข้อแตกต่างที่การขยายความหรือการตีความเป็นผลเกิดแบบตกต่างกันเมื่อการตีความเนอยู่ได้แตกต่างกันแล้วการแตกแยกเป็นคณะเป็นกายก็เป็นเงาตามตัวมาซึ่งเป็นของธรรมด า, าเพราะฉะนั้น ม่นคำพิเศษวันสุดนี้เราจะพบว่าท่านสมุทเป็นสองวาทภาขึ้นมาเรียกว่าปัชวาตีอาจารย์ฝ่ายปัชวาตีพวกหนึ่งอาจารย์ฝ่ายประวาตีพวกหนึ่งอาจารย์ฝ่ายปตะวาตีนั่นน่ะโปรดทำกำกามกาหนดหมายในใจว่าได้แต่พวกอาจารย์ในใจเผยว่าคือมีการพุทธศาสนาที่รับลัทธิแต่ดีนี้ซึ่งนัทธิภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในประเทศเรา เป็นผู้รนนบนนั้นมีหลายพวกด้กกกวยการทีพวกี่เจ็บที่ก่ืในทำทีปถาตัา ว, วเองไม่ได้บ่งพัว่าเป็นพวกไหนแต่นักอัศว์คาาคือในปรนนินปปปบัติปณันปะปัจกปะกเาะอาท่านทีครูอาจารย์บรมอตมาอาจารย์ในฝ่ายบาลีถร ว, ว่าว่าวาอยงนี้เป็นของนิายนั้ น, น, นในวันนี้เราก็จะเริ่ม ตัวเนื้อหาของสาถาวัตรสบต่อไปอาเมื่อพุชหน้าแรกเราจะเจอคาาบทแรกที่เรียกว่าสุขละคาถาสุขุกละคาถาคือคาาที่ว่าดูดีคนการโต้แย้งเรื่งคลอ่านย่อว่าพุคโนอุะะลสติาปรมาทนนาติอ่าเป็นคำของตะกวาตีตั้งกระทู้ถามว่า โดยปรรมัดแล้วทิ้ันญัดว่ามีบุคคลได้หรือไม่อามันตาอามันตาต่อได้หืออานตาในที่นี้หมายถึงปะรวาตประโยชแรกนะครับประโยน์แ ร, ปรกปะรวาทีสอาจารย์เสดว่าตั้งกระทู้ที่อาจารย์เาาดสดว่ า, า, า, ว า, วาในที่นี้นะ่นหมายเอาประโมกคลีบุดติก ร, ร, ระเระจ้าผู้ินวัฒนาคำดีจะผ่าวัสดุตะกรและเป็นที่ต่า ประานสังฆายนาเมื่อข่าง็จะอาโกรุประถมเมื่อค้างกัตถยังายนาท่านตั้งสมเป็นคาถามว่าปุกคาโลอุบัลัพคติปจิาปรมัตเธนาติเมื่อว่าโดยปรมัตย์อย่างสุดยอดอย่างนแล้วมันจัตว่งมีอัตตาได้มั้ยมันจะมีบุคคลได้มั้ยแล้วก็พระาาจารย์ก็บอกว่าอมันตาได้น่นี่อกลว่ า, า, ว า, ลาว่าพระในคำพิภาวัดปุนั้น เป็นวาทที่สารเลืปอนดุคนทำว่าบุคนนั้นเป็นเป็นไวท์พดไวัยพดของคำตั้งหลายคำคือเรียกว่าสกขะโลก็เลี่ยงอัตาก็เลียกวีโรก็เลี่ยงมาโนโก็เลี่ยงโัตรูก็เลี่ยงเรื่องตั้งหลายอย่างที่เรื่องตั้งหลายอย่างนี้เรื่อเอาสภาวะอันหนึ่งที่สามัญโยชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเรา รูปของเขาเป็นตัวตนเป็นตัวที่ไปเงินไหตายเกิดเป็นตัวที่รับผลดินผลบาปเป็นตัวที่รู้คิดรู้นึกอาตรายตัวเจ้าคุณทาว่าตัวนี้แหละที่เรือกกันโดยบรรดาต่างๆว่าอัตตาบ้างอุกขละบ้างสีวะบ้างมานวะบ้างตัตโตบ้างหนึ่เลือกเนอย่างนี้คโตบ้างบางั้งหลูโตบ้างเลือกเอย่างนี้เพราะฉะนั้นายอะไรล่ะ ทีอเห็นว่ามีอัตอราโดยปรมาภิธคําวัตถิตตตาปรมาเทศนาสิมบุคค ล, ลมีบุคลบคลอย่า ง, งแุนเทมในปรมาภิใจอะไรอาชกขาแห่งกขาวิสตกรท่านทุกทูาอาจารย์ก็ระ บ, บุว่าได้แก่พวกวัตถีติตตาวัตถีติตตาี่ต า, ายวัตถีหนึง่งแล้วก็อ่านใไม่ถึสาประหนึ่งอาจารย์ในสองใจนี้ มีทิศถี่ถี่พัฒนหรือว่ามีอัตตาแม่ปรมาติอัตตาแม่ปรมาติที่กลายว่าจีบุตรเนี่ยท่านทั้งหลายที่เดินนี้จวัดทุกศาสนามาบากคุณจะเข้าใจว่าเพราะว่าชีบุตรซึ่งเป็นต้นตอเหตุของปัญญาติดตะการคุณจะทั่งเฉลิมจ้าป่ายเฉลิว่าต้องไปคุณนีธรรมที่ยั้งพันนาที่วารุตการามมืเลืาดไหในสมัย ผ่านร่วงร้อร้อยีอ น, น, อ น, น, นั้นอาการปีมัดปีบนพวกนั้นน่ะถ้าดูตามระกณ์ทางบาลีก็ถือว่าแต่ก็เรื่องบัญญะการตีความทุกข์ัญญะแตกต่างกันเสียแต่ติดขาหมดเล็กน้อยอย่างแรงก็เข่าต0ตีอย่าง น, อกก น, นง้อยก็ทุกขปวดเสียแตติดข้อติด ข, ข้อนี่ก็ส่วนมากเสียกตเรื่องการกินทนอาหารนารินสิ่งนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเรื่องับต้องหรือทยะบ้างแต่ยังมีข้ออยู่ในนั้นที่หมดก็ติดข้อด้วยกันก็เป็นไปไม่ได้ดีว่าในส่วนถึงว่าปามันจะตายอู่บั แต่เพราะว่าถ้าดูตามคำพินสภาวัตถุปกรณ์แล้วอาจานย์หล่าววัตถุบิไม่ใช่เพียงแต่ว่าแต่จากเหตุเรว่าถ้าเหตุมันอยา่างปุจตะารถามอย่างแต่ถ่าเหตุที่ว่าไดยถือทิฏฐิทางพัศนทางธรรมแตกต่างกันไปเรื่อยแล้วก็อะไรไม่ยืนแรงเท่ากับพัศนาทางธรรมในแค่ที่ถว่ามีบุคคลแม้โดยปารมัดอันนี้สำคัญมากเพราะตามความเข้าใจตามความเข้าใจของช า, าวพุทธเราทั่วไปนะครับ ว่าพุทธศาสนาเราสอนหลักอนัตตาไม่มีตัวตนตะเพะอธรรมะอนัตตาทำน้ำตัวไม่มีตนนี่เป็นหลักทั่วไปแต่ฉะนั้นอาจารย์ที่ศึก่าว่ามีติบุตรจึงได้ถือว่ามีบุคคลโดยประมาทเล่าการถืออย่างนั้นไม่เป็นการขัดแย้งต่อหลกักพุทธพจน์อย่างนั้นหรือถ้าเราสร้างปัญหาไปถามอาจารย์วัดมัติบุตรอย่างนั้นอาจารย์วัดมัิบุตก็ตอบบอกว่าไม่ขัดแย้งกันหรอกเพราะว่ า, าเขาก็อ้างพทุทธพจน์สีเดียร มันสถาลับถึงเยอะเป็นเยอะสถากเมืพรว่าชีวิต้างนึว่ามีบุคคลเดชธรรมะเนีะเยอะแยะไปหมดมีเยอะมากว่าจะต้องอัตราเน่ทำไม่้อัตราแล้วก็สมัยชี้สถาบันารเมืองจะต้อมีดาวผมจยกตัวอย่างข้อนึงทึ่อาจารย์ไม่ชี้บิดข้านะครับว่าอ้อุขคลโออุปลับอุปลับสถาันการเมรมี่นาเป็นอมันตาดงั้นมีบุคคลดรมะจริจริง มื่อโลกพัควาปัจาวาตีภูตวาตีตถวาติอวิตถวาติอนันตะาวาติสิ่ก็พระผมีพระภาคพระอง์นั้นนั่นโลกพัควาติพระผูมีพระภาคพระอง์นั้นเป็นปัจจวาตีกล่าวความตเป็นตาลวาติกล่าวถูกต้องตามตาละเป็นภูตวาติกล่าวคำไม่เคลื่อนคลายความแท้เป็นตถวาตกล่าวว่าทความเป็นอย่างนั้นไม่คื้นคลา อาวิสชาวาสิีสาวกว็ไม่คืนคายอย่างยิ่งเป็นอยู่ได้ยอย่างนั้นอย่างยิ่งอ น, นันต์จะถาวาทีกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์หิ่งไม่ใช่หรืออามันตาใสา่พระจีนโดยใช้อามันตาเป็นคำรับป่าใช่ถูกแล้วกุศลพระคาวตาพระที่มีพระภาพได้ตรัแล้วไม่ใช่หรือแต่ยโยมีเสวิยะสัทธาโรสั้นโตั้งฤทธมานาโลกัตุลิ กัตเเมตโยอิธาเสนยะเอตเกวสัพพาฤทธิ์เทวธรรมเมอตานังสัจโตเทตโตปัญญาเตติอภิสัมปรายนรันจะอตานังสัจโตเทตโตปัญญาเตติแปลความโดยส่วนย่อยก็หมายความว่าสาวอ้างคำาี่สัตว์ผู้มีสภาพาได้กล่าวถึงอตตาว่าดูก่อนจอมเสนาแด้นี้อตตา มันอยากมีอัปตาเน่เป็นไปปรากดอยู่นี่เพราะฉะนั้นฝ่ายวัดศรีบุตจึงได้จับเฉลยเอาพุทธพจน์ในข้อนี้ขึ้นกล่าวอ้างว่าอนี้อันตาในข้อนี้น่ะจะเป็นเทื่องตัวอย่างหนาพุทธภาสิจูอยู่ข้อนี้อ่ะอัศกีตาทุกเทวีที่ทชาตกขาดอัศจรรย์ดูกนที่สิฉนหลายพวกเธอแลคึงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่ขึ้นทํานัก การนาอย่ามีสิ่อื่นเป็นที่ขึ้นทานักธรร ม, มดีตาธรรมะตารณาอนันต์ตรรณาพึงาาทเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่ขึ้นทานักย่ามีสิ่งอืง่นที่ขึ้นทานักพุททข้อ น, นี้อาจารย์ก็ถือถโอไปแล้วก็ไปแปลความถึงว่าหนาตาถ้าไม่อตาแล้วก็ถือมีแค่ขจะบลับนแต่ละพุทธสงหลายพูดเธอพึงเป็นเเกาะนะมี ต, เนะมตนเป็นที่ขนะึ้นทานันะต้องมีตนสิ ไม่ต้องแยบเราจะสอนอาตอนเป็นสิ่งพื้น ท, ทาไมอัปติปตาอัปติตรนาในตัวป้องตัวอยู่แล้วเป็ารยืนยันสิ่งมัติอยู่แล้วว่าจะใช้ ต, น, น, ตนเป็นสิพื้นสำนักได้ถ้าหาว่าตนเป็นของห น, นึ่งในจริงแล้วจะเอาสิ่งจริงมายามาเป็นสิพ้นสานักได้อย่างไรอาจารยา์ก็ิดบิบอนย่างนี้เพา น, นอาจารยา์ที้ว่าจะไปตอว่าเอาพุทธเจอกครูล่อครูมาเป็หลักในที่ศาสนาเาก็ยันอาไว้เท่าทพุทธพุทนี้ใข้อนีไงล่ะยกขึ้นมาอ้างทีเดียว ว่านั่นว่า น, านมี อ, อัตตาแม่โดยรปรม า, อาตอัตากับุคระนามเดียวกันนะครับว่าแม่โดยปรมาตจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม น, นี่เพราะเหตุนี้เองะอย่าว่าอาจารย์ไม่เลยอาจาในเมืองไทยนี่แนักธรรมะในเมืองไทยนี่ยังเห็นว่ามอัตตาไเยอะแยะเห็นว่าโดยปรมาต้อัตตาปรมาเยอะแยะไปหมดนักธรรมะในเมืองไทยนีย่เห็นว่ามี อ, อัตตาคือว่าบางก็ถูอจุตเป็นตนบางก็ถือจุตเป็นตน บ้างก็ถือกายเป็นตนบ้างก็ถืออภิธรรมเป็นตนนะนักธรรมะในเมืองไทยเราเลยนะครับก็เสื่อมมากที่ถึงว่าเป็นตนเหล่านี้น่ะโดยมากความราาาู้ทางอภิธรรมบุกคลคือว่าเส่อมมากประเด็ศึกษาพระอภิธรรมเลยจะเกิดทิฏฐิการตีควางขยายความขัดสนตามาก า, มากมเรนนนะเข้าใจของต น, น, นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้น่ะผมเลยอยากจะย้อนไปว่าอภิธรรมเกิดขึ้นเพราะอะไรอภิธรรมมั น, นเป็นคําขยายความทัพจน บรรดาพระภิกอาจารย์ในสามสี่ศตวร่ษท่านต่างรวรมขึ้นตองรวบขึ้นเพื่อิดเอมัิในอาจารย์ฝ่ายตะวันว่าตกลงกันว่าเราต้องตกลงกันมัสยดว่าอย่างนี้นะต่อปจะได็นม่ต้อมเชื่อข้าพระต้ยแยงว่าอ่าโดยประมัดว่ามีตนหรือไมีตนตกลงว่าคือคาขยายจากพะกของบรรดาผ่านหลานเจ้ามีสารบุตรตตนตนะพานได้มารวบรวม ติดเชิงตันตในแ น, นี้ว่าจะต้องเป็นในเรื่องนี้รี่คือถ้าหเสรีภาพอรจะต้องว่ากนตามแนวนี้แนวนี้ถ้าใครเห็นนอกจากแนวนี้แล้วก็ถือว่าไม่จะไปนเราาื่องเภาเป็นปรางาชาจานไปเป็นต่างนี้กายไปเพราะฉะนั้นขบิทามติดดกหาต่างนลกายต่างนี้ไม่ต้นต า, า น, นกันสภาวัฒมันหยัดก็ไม่ตรงกันจิดกับอสูตรข้อสูตรกับพวกนี ย, ยว่าตรงกันหมด ม, มึใครมหาที่จะไปตัดทอพทสภาสิกหรือว่าเพิ่มเติมพุทธสภาสิก ต่พมาในอภิธรรมทุกอย่ออางในอภิธรรมในเด็กของตัวเองไม่ซ้ำกันเลยต่างคนต่างนิ่และต่างคนต่างเสียนตามาทัศนะด้วยเขาจะนม่ทีจะมีความพ้าสมมติว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนัง้นเออเป็นอย่างนีน้ถ้าจะนั้นผู้ที่เกิดทิศผูที่หลงตนเป็ น, นปรมาจาร์ก็ตามผูที่ถือว่าติดเป็นตนก็ตามถือว่าการเป็นตนก็ตามก็ส่วนมากเป็นพวกที่ไม่มีความรู้วาอภิธรรมบุคอบ ถ้าหากว่ามีความรู้ควาอพิธามดีแล้วไม่เคยทิ้งคือคำนี้เป็นเป็นเด็กคาดเพราะว่าพระอรหันตเจ้าสมเด็จตะเกงกันไว้แล้วตั้งแต่สมัยสังขาณ์าาว่าเอากันอยาง น, น, นะต่อไปนี้การขยายามพุทธพจน์รจะมาขยายเต็มตัวอับสูงกว่าอภิธรรมไม่ได้ลวอภิธรรมนัเป็นด้วย้อิตใครเนื่องการขยายจากพุทธพจน์หละตะเกกันแค่นี้ะเป็นใครเนี่ย้องมันแค่นี้ละต่อไปชาวพุทธในมิจาารย์เทววัตจะต้องถึงเอาตามที่ท่านมันอยากเปนเนอสิ่งอานนีคือตามแนวการขยายกว่าพุทธพจน์ หนา้าที่ทำแ่นี้ต่อไปนี่ถือกันมาอย่างนั้นอะไรล่ะตั้งก่อนท ง, ท ง, ทงที่คุณพจน์บอกว่าสัพเพธรรมานัตตาและต บ, บอกว่ามันจะขันเนื้อเป็นอนาตาัตตาก่สมัย อ, อาจารย์วัชีบุตรกล่าวว่ามันอัตตาอาจารย์วัชีบุตรก็กล่าวบอกว่าที่สกล่าวว่ามันอัตตานะ่ะก็เพราะถือว่ า, าตามสองอย่างหนึ่งสมมติอัตตาอัตามันจะขันหนมาเป็นสมมติอัตตา สองปรมัตะ์าตาอันนี้แหละมันจะขันหา้าปรามะสะาตาหรือบุคคลนี่จะว่าเป็นขันห้าก็ไม่ใช่จะว่าเองจากขันห้าก็ไม่ใช่ถ้าถือบุคคลหรืออัตตาเป็นขันหา้าบุคคลหรออัตาก็ไม่เที่งเป็นทุกขและเป็นอน้าตาตามในพิชตาสิทธ์เพาถ้าว่าบุคคลหรือปรามะสะอตานี้เองไปจากขันหา้าถ้าอย่างนั้นแล้วขันห้าทำกรรม ขันห้าบัเพุนมัดขนปรมาจารย์ก็ไม่มีเตือนทอยลับกลมอันนั้นเดือดไม่มีส่วนจะมรรลมุมัดบรรลุขนตามขันห้าไปด้วยเพราะเหตุนั้นอาจารย์สายวัดจีบุจึงถือว่าอาจรยของเขาไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่อื่นไปจากขันห้านะถ้าอย่างนั้นน่าจะเปรียบจะอะไรท่านเปรียบเหมือนกับดุ้นไฟกับไฟดุ้นไฟย่อไม่อื่นไปจากไฟ ไฟจะปรากฏต้องอาศัยดุลไฟนี่ทันใดบุคคลอันเป็นสุคระตะกิดกับธตุประมัดนั้นไม่เอ็นไปจากขันหา้าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ตัวขันหา้าเหมือนจับไฟจับดุนไฟฉะนั้นเราไม่สามารถจะแยกดุนไฟออกจากไฟเราก็ไม่สามารถจะชี้สุคระตะกิดกับธตุประมัดอันตาตัวนี้ออกไปจากขันห้าได้แต่ใขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ใช่ขันหา้านี่ ในขณะเดียกันมันก็หมายถึงพันหานี่เป็นวาวะครับของอาจารย์ไฝวัชชิบุตรอ้าเพราะฉะนั้นทศภาติที่บอกว่าสัเาาาพเพธรรมะนัตตาติดั่นตรงแสดงโดยนายยะแห่งสมุิิอัตตาเมื่อตองรงแสดงโดยนายยะแห่งธรัตะอัตตาแล้วพระพุทธมีสภาพจะตรัสว่าอัตตีตาพิฆเววิหาระภาอัตต ร, รณาหรือกาะพถีพันหลายพวกเธอจึงมีตนเป็นเกาะมี ต, น, ต, น, มตนเป็นที่ขึ่งำนักเธอ ตันี้ที่นี่ะคือปรมัาภะปุกขระคือปุขระปกิกถาปรมตภะนี่เองคือปุขระตัวนี้แหละคืออัตตาเตนี้แหละที่เป็นเกาะเป็นที่ขึงเราได้เพราะอัตตาเตนี้แหละที่เป็นตัวที่เข้าลี้พานถ้าปฏิเสธอัตตาเตแล้วใครเล่าเป็นผู้กําหนดรู้ทุกเป็นผู้ละจะมุทัยเป็นผู้เจริญมัชเป็นผู้ทําให้แก่นติโรดใครสั้งปัญหาถานนี้ว่าใคร ใครเ่าที่เป็นตัวว่วอนในวัดปะารับผลระบาดผลระบุดต่างๆคนนั้นเป็นใครเพราะว่าถ้าใครคนนั้นเป็นมายาใครคนนั้นไม่จะหันตาเท้เมื่อขันห้าเกิดใครคนนั้นก็เกิดเมื่อขัาห้าดับใครคนนั้นก็ดับแล้วอะไรหลังที่จะเป็นตัวมารับกรรมก็ขณะ น, นึ่งในกอในขณะบิดในกอไปฆ่าเขา ตัวในวก็ดับไปแล้วในอดีตมาไม่ถึงปัจจุบันถ้าอย่างนั้นในกในปัจจุบันก็ไม่ควรจะรับปีบาสมนุษผลบาปหรืออาณาสงแห่งดินจากตัวในกในอดีต ท, ที่ไม่ทาทั้นบาปทั้บดินได้ไม่ใช่หรื อ, อถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้ววัดตาปุนสารนักกดแห่งตันก็เป็นโมฆะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการบรรลุนักผลก็เป็นโมฆะเพราะหาตัวผู้บรรลุนี้ได้เพราะหาตัวผู้บรรลุนี้ได้ เพราะว่าขนาดที่กำหนดรู้ทุกหน้าเป็นตนอันหนึ่งเมื่อกําหนดรู้ทุกแล้วตนนั้นก็ดับไปแล้วขนาดที่พราสมุทยนะัยเป็นตนอีกอันหนึ่งไม่อเชื่อข้องกันเมื่อไม่เชื่อข้องกันแล้วก็ฉะนั้นการทำให้แจงซึ่งอารยจัตติจะเป็นไปได้แล้วเพราะฉะนั้น อ, อัตาอัตราที่มีสองชั้คืออัตราภายนอกอัตาในขังหน้าอัตราทีาา่เป็นตัขันหเป็นสมมติที่พระผู้เป็าสอนอยูล่ละ ตัวอัปปาที่เป็นตัวท่อ เ, เ, เป็นตัวเป็นตัวโดมนั่นคือเป็นสอนให้ทุกข์เอาเป็นที่ขึ้นที่ธรรมะนี่เป็นการตีความของคณะพิฆสุวัตสีบุตรโดยตีความพุทธพจน์จึงได้ถือเอามาัตสุอันนี้นมาคราวนี้ต้อมาพิจารณาดูว่าตามที่อาจารย์พิฆสีบุตรจะตนความนี้จะถูกต้องหรือไม่แน่นอนทีเดียวถ้าหาว่าเราเป็นฝ่ายุติกาเกรเสด็ว่า เราเราจะต้องปฏิเสธพันกันว่าไม่ถูกการเป็ความช น, น, นี้สปนมาทิศผิดทิศผก็ อ, อาจารจย์วัดบุตรเป็นศัตราทิศผีดนะเป็นการดุผลพุทธพธ์เป็นการแปรรูปพุทธพธ์ขยายความพุทธพ์ในทางทิศผในข้อนีน้ผมอยากจะเสนอความเห็นสั้นว่าว่าทาไมอาจารจย์วัดบุตรจึงปความอย่างนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่หินใจละครับคือว่าเป็นด้วยอุปถัมภของศาสนาพราหมณ์เลยเอง ศ า, รราสานาหลายาตอยู่แล้วว่าศาสนาครามน่ะเขามีเรื่องอาตามันเป็นหัวใจสำคัญในปรัชญาของเขาทุทเาศาสนาเกิดขึ้นได้มีการปฏิวัติความคิดเรื่องอาตามันโดยที่พระพุทธเจ้าสอนหลักอาน า, ามันหรืออานัตตาขึ้นมาแต่ว่าไอ้ที่คนยามคิดอันนี้ในทุกเศาสนานั้นมีไคยชนะ่อขั้วระยะสมัยที่พระรรพุทธเจ้ารประชนอยู่ วันเคยกินของสัตว์มารุสังพวงอย่าว่าแต่พวกที่เคยเติบโตในศาสนาพราหมณ์ในอินเดียในครั้งแต่นูนเลยเพราะว่าอัจจาริ้ทีินี้เนี่ยเป็นสัญชาติยานของสัตว์ถึงแม้จะไม่มีศาสนาพราหมณ์ตัตว์เราเอนที่อยู่ภายนอกศาสนาพราหมณ์ก็พร้อมที่จะถือเรื่างนี้ตนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสัญชาติยานบั้งเดิมมาพร้อมกับอวิชชาที่เรียน มาพอมกับอวิชชาเป็นกิเลสที่ย้อมใจหมักดองมาทีดั้นเดิมทีเดียวนะคือตัวอัตาลัทธิสิเพราะฉะนั้นประกอบกับความเคยชินอับดวงวิาจิญญาดั้งเดิมหนึ่งประกอบกับอิทธิพลในปัจจัศาสน า, า, าพราหมณ์หนึ่งผสมกันนึ่เป็นเหตุให้นีงเป็นเหตุใ ห, ห, ห้อาชาวพุทธบางกลุ่มเกิดความเข้าใจผิดยิ่งไปหาอตาลัทธิสิอีก แม้แต่ในสมัยพิศการก็มีทิกตุซึ่งเกิดทิกติเช่นนี้หลายรายด้วยกันยกยกตัวอย่างเช่นพระสาติเจวัสบุตรในบาลีไม่ถึงมันตายพระสาติเจวัตบุตรพระสาติเจวัตบุตรผู้นี้น่ะเกิดทิกติเห็นว่าในวัตสุสามเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นหรอกอัตตานี่แหละเป็นตัวอยู่เยืนวิ่งว่อนไปเกิดแล้วเกิดเล่าเป็นทิกติเช่นนี้ พิสุทธิ์ทั้งหลายลุกขาวก็นําความไปคนณ้องพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาจึงได้เลือสาสาติคิขุมาตําำนีว่าโมฆบุรุษบุรุษสาวเธอกำลังตีความเข้าใจผิดตอบปาพุทธของเราเราได้ท่อสองไม้เป็นมากไม่ใช่หรือว่าทําทํางฟูงนี่ไม่ใช่ตนนะเธอควรจะเธอเห็นว่าลูกเป็นต้นหรือเธอเห็นว่าลูกอยู่ในต้นหรือลูกอื่นไปจากต้นหรือเธอเห็นอเวชนาเป็นต้นหรือ วิทยา อ, นนอื่นไปจากตนหนึ่งวิทยาอยูอ่ในต้นนึ้งปรับถามเป็นลําดับขอบอ้อไปสาติเจวัตบุตรก็ทูลหาัหาไม่ได้หาไม่ได้หาไม่ได้หาต้นเลยไม่ได้เมื่อหาไม่ได้เลยที่สุดแล้วพระองค์จึงตรัสบอกว่าก็เมื่อเธอหาตอนอย่างนี้ไม่ได้แล้วถนายเธอยังมีคิดถึงเห็นว่าไม่ใช่เอ็นกายล็อกไมจใช่อั น, ออาอนตานี่แหละเป็นตัวที่ว่อนไ ป, ต, ไปตัวจในวัดตะสงสารเป็นตัวรับบุตรรับบาปบบ ร, ารับดินในวัดตะสงสารความเข้าใจอย่างนี้นะเป็นความเข้าใจที่คึก ครั้งผู้จัดกามมีแล้วทางทางที่สิตเจ้าทรงกระชอนอยู่ก็มีคนจะเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วจะป่วยกล่าวไปยายกับเพื่อคุณขับฟรีผานล่วงรับไปแล้วมันดาที่สูเหล่าที่ซีกว่าพุทธพศเหล่าเนี่ยจึงได้ไปจับฉวยเอาทิศชี้เช่นนี้ขึ้นมาก่าวอ่าในข้อนี้นะพวกพราหมเขาบังแดดอัตตากันเส้นใดผมก็อยากจะเล่าในโปรดสภาพสูตรในบาลีที่คิกาให้ฟัง คือว่าในทีก่าการในบาลีโสธปาทะสูตรน่ะระหว่าสมัยหนึ่งพระพุทธองค์กระทับอยูที่มูลสาวัตีปิเศวะนารามอาเมื่อเป็นเวลารุ่งเช้าได้ถือบาตรข่มจีวรแล ะ, ะเจดิตไปทิขาจาริาปันแต่เห็นว่าในเช้านนะ่ะเจด็ตผ่านไปที่มันดีการามอารามดอกมะลิเป็นม่ไหู้กพุทธมะลิทุมหมดเป็นป่ามะลิมันดีการามผ่านไปเวลานั้นในมันดีการามหรือป่อาเสวนมะลิแห่งนี้น่ะ เป็นที่อยู่ของพวกปริพาชกพวกนี้ประมาณ300คนเดียกันมีหัวหน้าชื่อว่าปวดสปาทะค้ามาปริภายชกน่ะไม่ใช่นักบวชอะไรที่ไหนล่ะครับปริภายชกนั่น่ะเป็นนักสแสดงวิทยาการพวกนี้ไข้ท้ายพวกสโตอิกของพวกกรีปรัชญาสโตอิกส่วนของพวกกรีเป็นผู้ที่ขอ้อเรย์รอนที่ปลายหลักวิชาถกวิชาต่าง แล้วก็อาศัยความรู้อ่ะมีรู้ด้วยดุจกันหลายเสนงก็แลกเปลี่ยนข้าวให้กินในเมื่อใครมาเล่าเรียนวิชาความรู้จากตนเขาก็ตอบแทนเป็นสักการะให้อย่างนี้เรื่อพวกปริชาชกพวกหนึ่งเร่ร่อนไปอยู่ที่จกัดที่เร่ร่อนขายชานตัวไปอาบรรดาปริชาชกสามร้อยคนอนยมีปวกสภะตาพะเป็นหัวหน้ากำลังนั่งพินารณาด้วยสิริฉ า, านกับขา คำวาตีระขาเมก็ถาไม่ใช่เป็นคำด่าอย่างความหมายคนไทยเราเข้าใจาในยุคนี้ว่าเป็นคำด่าหาว่าเหมือนหมูเหมือนหมาไม่ใช่ตีระขาเมกะถาเนี่ยยังแปลว่าคําพูดที่จีดขวางทางมักทางผลแปลงนัเท่ั้เองไม่ได้เป็นบันอามเสียหาว่าพูดภาษาหมาภาษาหมีไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายถาึงว่าพูดไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่ออดธธุดมคติในการปฏิบัติธําเพื่อสทุกข์จะเป็นเรื่องไร้จะได้ที่มันเป็นเรื่องที่ว่า ไม่ได้เกื่อนคุณต่อการปฏิบัติตทําเพื่อวามสิ้นทุกข์แล้วเรียกว่าติดไอ้ฐานะกระถาเท่งนั้นแหละเพราะว่าคำว่าติดไอฐานะเรว่าไปขวางขวางต่อทางมรรคทางผลขวางต่อทางสิ้นทุกข์เรียกว่ิดฐ า, ะ า, านะกระถานะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคำด่าหยาดพายหาวเสียงภาษาหมาหรือว่าเป็นหมาไปไม่ใช่นะโปรสปาร์ท่าก็คุยเรื่องกาเมืองบ้างคุยเรื่องเศรษฐกิจบ้างคุยเรื่องอ่าเรื่องครอบครัวบ้างซึ่งไม่ใช่วิสัยของทางที่สิขนทุกข์เรียกว่า ไถายในคาาให้ปหูกก้กันขมวงขงเฉลิมศัตรกันมีการทัดงางกันโตโตะกันในระหว่างนั้นเป็นธรรมดาของผู้ปริภาณชกเขาก็เข้าะหลักสูตรเหล่านี้เป็นนักสแสวงวิชาความรู้พะโอสปาฆ่าเห็นชกูม่สปา่าก็เด็จมาแต่ไกลโอสปาฆ่าเรีบ ก, กันไอหยุดกรอนยุดกรอนพวกเราหนึ่งไว้ก่อนนั่นน่ะเห็นไหมพระสมณโคโดมกั น, นมาเดินมาเทโนต์แล้วพระสมณโคโดมอนะ่ะท่านโปรดเสียงเบา ท่านเป็นลูกคดีมีสกุลสกุมรารยาทถ้าเห็นกิริยาพวกเราเอะอะนักเพ่งต่อ ย, ยกันเอตรกันท่านจะไม่ว้ เ, ววเข้ามานะเออวันเช้า ว, วันนี้ดีเผยได้ฟังไอเดียเขาข้อสมณะโคดมบักดีแล้วเห็นพระองค์เสด็จมาแต่ใจยังเงี้ยพวกเราไม่รู้วะแล้วพระองค์เยห็นพกเราเียบเงียองค์จะว้ทํ้ามาเองว่ปิภาชคก็จงทากิริยาการฟังวรสงบระับทางกายวาจาจีริงจัดแจงชำรมตัวจีิงจังพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าแวะแวะเข้ามาจริงๆพอมา นั่งประทับเรียบร้อยแล้วก็จัดถาเป็นว่าดูก่อนปวดสปาพะระทําุนันํามันมา ส, สักครู่นี้เนี่ยคงจะไดอะไรนะคุยกันต่อไปที่ปรถาคุณจะฟังด้วยปวดสภาพระว่าอ่าพักไว้ก่อนเถอะพระเจ้าค่ะทําุนันนามันมาสักครู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งจาระขอพักไว้ก่อนเถอะพระเจ้าค่ะวัดนี้ก็ได้โอกาสแล้วขอเปิดโอกาสให้ข่าพระองค์อ่าถามถึงเรื่องคือนสัญญาใโรอดคือควางดับสัญญาเป็นอันดีว่าเป็นทน ต่ถามพระพจ้อย่างนั้นคือผู้ปริชายทุกผิ้นี้สมณพาพราหมในขั้นตนนั้นเป็นพวกที่คอยต้องจตักเตนประโยชน์จากพระพุทธเจ้าทั้งทางตร ง, งทางออกถูกนหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าน่ะท่านรอบรุ่งสาราพดัดโสดวิชากลามรู้ไปทั้งหน่งทางครู้แจ้งไปหมดทุกอย่างทสาขานะาางนั้นผู้ปริชายทกผู้นี้น้ำวต่างรับชีเหี่ยถือว่าถ้าได้โอกาสและเป็นตักเตือนความรู้จากพระพุทธเจ้าไปล จะเป็นํารร ม, มากกว่ไาได้เป็นหนึ่งอะไรกว่าได้จะต้องตักตู้าไปล่ะไปไปใส่ความเรื่องที่ขู่เขาไม่ยอมจะพลาดโอกาสเราจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเลยที่ว่าพวกเหล่านี้จะรอโอกาสให้พระพุทธเจ้าถามเขาไม่มีเพาพวกนี้รู้ว่าขืนตอนอที่พุทธเจ้าตั้งปัญหาถามเขาแล้วก็ไม่พลาพวกตัวจะเจนแต้มแล้วต้องการเจนแต้มมันมีสองในในในก็นขืนต่อบไม่ออกเคือการไหล อายุสิทธิ์เขาในไม้ที่สองต้องกลายเป็นทุกภาษาโลกไปเลยกลับกลายเป็นสองพระพเจ้าไปเลยเป็นสองในยะเดียกันเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็ตั้งท่าตักเตือนจ่ามุสลิมเจ้าก่อนทีเดียวอ่าก็อ า, าวุธเจ้าวัอาที่สัญญามีโรดนั่น่ะความหลับสัญญาเป็นอันยิ่งนี่ยเป็นอย่างไรอาปูตปาพรได้ถือว่ามีอัตรายอยู่สามอย่างเ้าถือในปูตปาสูตรเนี่ยเสนออัตราสามประการสามประเพณในบาลีที่เกิดมาเป็นหลักฐานว่า อ, อัตราสามประเภทนะเป็นทนกัตโตโมจะพระองค์ไม่กระจายขยายคามมาดูก่อนปวดสะบ่าท่าอัตราสามประเภทที่สมณหาพรามในคั้งครั้งกันโน้นน่ะยึถือกันอ่ะมีอยู่สามประการกัตโตโมจะปวดสะบ่าท่าโอลาริโกอัตราปฏิลาโพือก่อนที่จะทั้งดูก่อนปวดสะบ่าท่าอัตราที่ได้การได้อัตรายันยาบรียว่าโอลาริโกอัตระปฏิลาโพ การได้อัตราอย่างยาบนี่ประเภทหนึ่งนะการได้อัตราอย่างยาบนี่เป็นขนาดเล่าเระองค์ mm hmm. ก็ขยายความว่ารูปีจะตุ ม, มหาภูติโกแต่ว่าลีการะพักโคอยังโอลราริโกอัตตะปิติลาโภ ค, คือได้แต่รูปอันสำเร็จด้วยจะตด ม, มหาภูติสัมสีอันบริโภคอาหารเป็นคำคำตว่ลีกระพักโข อายัอราริโกอัตตปฏิลาโพนี่แรลเรียกว่าการได้อัตตาชนิดหยบหยาบอราริโกอัตตปฏิลาโพการได้อัตตาชนิดจัาบหยาที่ประกันลงประกันป ร, ประกันอะไรอัตตาที่หนึ่งประกันที่สองก ม, มโนมโนมโย ap อ, อัตตาปฏิลาโพอ่าอัตตาที่สําเร็จวยใจเป็นทนายตรงขยายความว่ามีทีมโนโมโยสัพพังฆะปัจจังทีอ่ อันที่มิ n d a ิโยอันยังมโนมโยอัตตาปฏิลาภได้แต่อินทรีรูปอัตตาซึ่งสาเร็จจิตใจมโนมโยอัตตาซึ่งสาเร็จจิตใจมโนใหม่สาเร็จจิตใจอันบริบูรณ์สุขพร้อมด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สับพันธปัจจังทีอันที่มิ n a r ิโยมิตนรีรบริบูรณ์พร้อมอันนี้แหละเรียกว่าอ่ามโนมโยอัตตาปฏิลาภ ทานได้อาตาที่สำเร็จแด้ไปนี่ประเทที่สองาประเทศที่สาอารูปตะโมอรูปโอัตปิลาภโออ า, อาที่ชื่อว่าอาตาที่ไม่มีรูปนั้นนะ่ะท่านได้อาตาทีม่มีรูปนะ่ะเป็นทนายเป็นขยายความว่าอารูปโัญญามายโยยังอรูญญปโออัตปิลาโอก็ได้แต่อตาที่ไม่มีรูปสาเร็จแล้วด้วยสัญญา นี่เป็นนี่เป็นการได้อัตตาอันตาที่สะเพื่อชนนี้สเร็จนนด้วยสัญญาเป็นระเพื่ี่สาตกลมในปุตาประตูนี้พระพุทธจเจ้าได้กกแสดงถึงพุทุของสมณาพรามในขั้นนั้นที่เกีก่กเรื่อัตตาโดยสรุปแล้วแบ่งเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งได้แก่การได้อัตตาชนิดจยาโอราบิโกอัตตาิราโภอัตตาชนิดจัยาพวกนี้สำเร็จด้วยทวารทวาลิงกรารพักโห สมเดตเออาหารที่เป็นคำคำเป็นคำนี้คือว่าตวรินกราหารอัตตาผูกเนยประเุทธที่สองได้แต่มโน ม, มโน ม, มโยอัตตปฏิร า, ราโูการได้อัตตาที่สมเดตแล้วดูใจและ เ, จจละเหนื่อขึ้นมานในในหน่อยเป็นพระพุทที่สองที่พระพูทธเส้นแล้วดูใจเนยนะตัดังค่าปัดจังทีผมเรียนใ อ, นนอวัยวะน้อยใหญ่อธิหินดริโยนึกยินติถึงพระ อินทรีต่างๆาคือประกอบขึ้นจากขุนศรีโตศรีคานนิงืรีทิงหินศรีตายินศรีมนันหนิงศรีบริสุทธิ์ศือถึงศรี อ, อย่องนี้เป็นต้นถึงท่ามทีเดียวนะนี่เป็นประเทที่สองประเทที่สามได้แต่อารูโภสัญญาอัตามานโน อ, อันตตะพิราโพได้แต่อัตตาที่สมเป็นอรูไม่มีรูสำเด็ดย้ด้วย ส, ส, สัญญาสามประเทศเดยกัน อัตตาสาประวพวนี้ในาบาลีสีมังคา ร, ราอินาที่นี้อัตาาายายต า, าตทั้หลาที่สังเกตท่านขยายความแก้ว่าอัตตาที่รว่าโอราริโกอัตตาปิลาโฟอัตตาสําเร็จที่กายยากกินอาหารเป็นําคํานั้นได้แก่ตัดในตามาพบทั้งหมดคือในอบายภู ม, ม, ม, ม, มิมนุษย์ตามาปกติคูนหนึ่งทตามามาพระจันทร์สวรรค์หุ่นี่ที่เว่าโอราริโกอัตตาปติลาโฟ อัตราอัตราชีวิตจับจา่าอัตราของผู้เทวดาในอกสวรรทุ่านแล้วก็มนุษย์เสียบแล้วก็อบัยวะคุณอื่นี่นประเทบแรก ม, มโนมโยโออัตาราปฏิราโพสพังฆาสพังค่า ป, ปัดปีนตีและวก็อไอที่มินบริยโยพวกนี้ได้แก่อพยพที่สองอัตราที่สำเร็จแล้วรดอใจบริวูนี้อวัยวะน้อยใหญ่และอินเตอ์ครบถ้วนได้แก่พวก ร, พพรูปภัทรทมทมจิตศดิท่าน ตัวรกคมได้ตัวรุกลมจิตพันธ์สมโสรสเนี่ยเนี่ยได้อัตตาประเภศที่สองตัวอรูอารุโพสัญญาอัตตปฏิลาภคืออัตตาที่สัมฤทธิ์ด้วยสัญญาไม่มีรูปก็ได้แต่ 16, อัตตาของพวกอรุกคมอัตตาของพวกอรุกคมตกลงว่าอัตตาในกายมรรคหนึ่งอัตราในรูปคือหนึ่งอัตาในอรูคือหนึ Ar ru, Ar ru devant, ่ง <inhale> <c oughs> เป็นมักตที่ถือกันในวาระทั้งหลายในครั้งก่อนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาลหรือหลังสมัยพุทธกาลบรรดาวสมณะพราหมที่บัญญัติางอัตจารีนั้นอัจจารสามเหล่าพวกที่ถืออัตจาที่เป็นตาหยาบยกตัวอย่างเช่นสามันในคนทั่วไปถ้าขี้ว่าไหนตอนอยู่ที่ไหนก็ขี้มาที่ตัวนี่ไงละตนนีน่ไงตัวที่ทำนีไงล่ะตันตาหยาแพร่เห็นไหมครับเนื้อหนังมังสังกระดูกอัตจาั้าย ส, สองที่มาถึงกับเป็นตน้น ตนอันนี้ก็กินอาหารี่เป็นตวินีกราหาหาบหยาบเหมือนกันเปนตนที่มาที่นี่มนโนมโยอัตาตาเวราโทอัตตาพี่สาเร็จแมด้วใจก็แต่ตายพิษตายพิษพายตายดึก ง, ง่ายง่ายอปตาอตาเพือเคลื่นไหวไปพใจเนี้ออัปตาพเพื่ศสื่อต่อในการคิดนะตายพิษชิบาเอีย อัตาประพฤทสามเรื่น right ีว like ่าท้าจะพูดไปแล้วเรื่องก็เห็นจะได้แล้วมั้งถ้าเขาเลืจได้สัญญาและเอถึงจะนีอย่างนี้เป็นสามคำน้่กันอย่างเราเนี่ยอัตาเรามป็นหงนงสามใจเมื่อเนยคิดใจทำอ่าใจเ่เห็นยยากเห็นอยากยากเกิดใจจิตาเราเห็นเราม่ึถือละใจเราไม่ยดถือใจคิดใจไปที่นี่จะมาแล้วยากจะหมายว่าได้ต่ตัวเกิดกับพูด วิทถือเศษตะปูจะเป็นตนอย่างคนสามมันคนทั่วไปบอกว่าตายแล้ววิญญาณออกจากร่างเศษตะปมันออกไปน่ะเศษตะปูออกท่างจริงแะ่เทิีจริงก็ถือบอกว่าวิญญาณทุกคนมันมีจดวงด้วยกันโดยว่าตํ้มหุ้นคุดถกต้หุ้นอะวิญญาณสามเศษตะปูเก่งจริงด้วยว่าตํ้หุ้น แล้วก็ชิดเผ็คือมีเศษตะพูอีกเศษนะไอ้ตัามุ้นชิเ็ดเนี่ยออกไปจากตัววันใดละเก็วันนั้นละเกาะตายเรื่องว่าตายไอนะ้ตั้มหุ้นชิดเ็ดเนี่ยก็หมายเอาคำว่ามาโนมโยอาจจะหมายมีสงเคาะไปในในนีอก็ได้แล้วก็ส่วนกายที่สมเด็จเสัญญาณนะ่ะะเอยอ่างไรก็อื่นอะไรยไปมากคือเป็นตัวที่เดืวเว่ว่าคุยง่าย ว, ว่าตัวภาวาตัวภาวะปัญหาหรือตัวพว่งเนี่สมเด็จเอ่ด้สัญญา เป็นตัวพลงังเยดิดิปิดสามภาษาด้กันหน่กล่าวโดยนายหญ้าที่ตรข้ามอาถาคาานะครับเพราะว่าตามนายหญ้าเขาอ่านคาาแล้วท่านจะล่ะตาหยาบได้แก่ผัตตาของพูงเกเทวดากลับมนุษย์และสักตาอบาลผักตาที่สาเร็จแล้วด้วยใจได้แต่ตาของพวกอุปคสมผักตาที่สาเร็จด้วยสัญญาได้แต่กาของพวกอรุมสามตัวด้วยกัน แล้ววันที่ผมว่านี่ขยายส่วนมัดติดส่วนตัวให้ฟังว่าพอจะเปรียบได้กัอย่างนี้ก็มังเพราะว่าเห็นง่ายดีเพราะฉะนั้นการโพิ่ปัญหาลักตามมาปัญหาได้ก็ละอัตราชนิดโอราลิโกอั ต, ตาปติลาโกได้ลักเพาว่าปัญหาได้ก็ลักมโนุษยมโยอั ต, ตาปฏิลาโกอัตราที่ฉัห็ได้ในใจบแ้ลัวลเพราะว่ปัญหาได้ก็ละ อารม์โก้สัญญาอัตตาปฏิราโกและอันตาที่สมเจตุสมผลสัญญาได้สามท่านเหมือนกันสามท่านเหมือนกันหละแตอย่างนี้ละได้ผละไม่ได้อย่างนี้ตามใยะเพราะฉะนั้นเมื่อพระ อ, องค์แสดงอัตตาศาสประการที่นี้แล้วทีประถานโบสภาธาบอกว่าโบสภาธาหนะ่จะจาอัตตาโกสุดไหนสามอย่างนี้จอารันตาโกสุดไหนโบสภาธาก็ที่ลกอนยึดอาายหยาบเป็นต้น พระพุทธเจ้าก็กระดบตัวอักายแบบนี้ก็ไม่เลี่ยงโบสถะละเที่ยงยึิเอาข้อตายพิษเป็นตนพระองค์ก็กระับบอกไม่ที่ยงนี้ละเที่ยงโบสถะละเที่ยงพระองค์ตรัสกว่าเอาการถึงมือสัญญาอักตาถึงมือสัญญาเป็นตนโสถะเก็บอกจะยึดเอาหนี้เป็นตนพระพุทธเจ้าก็ชื่ว่าไม่เลี่ยงละเที่ยงเป็นทันทันทันทันีการดับอัิสัญญาโรดระทั่งใีสุดรุปถการสัญญาในที่สุดโยตมาบัต ว่าดับหมดดับวามติดสีรูปสะทกอรูปสะทกเพราะคนในข้างนั้นอ่ะเยทีในข้างนั้นอ่ะทำได้อย่างสูงแค่แค่เลยว่สัญญาณาสัญญาแต่พระพุทธเจ้าแสดงอาิสัญญานิรูสมาบัติคือสัญญาที่เป็นรธดับเป็นคงพันเพราะว่าดับจากกระทพาะานเป็นเตยฌานเป็นลาดับกระทำสิ่งดับเมยว่าสัญญาเข้าสัญญาอิรูดอันนี้เลยว่เป็นําดับขออาทิสัญญาโิรูดเปว่า เรข้าพระพุทธานสัญญาของเราก็ไปเป็นกหมายในศูนย์จาริกติดศุก์เอจักต า, าเป็นเครื่องกำหนดหมายสัญญาเราเป็นไปเรื่องเลยพระพุทธานนั้นแต่พอเราได้พระพุทนานความกำหนดหมายในศูนยการก็ดับเป็นพระพทานนะดับไปแล้วเป็นันดับทันกรือเ่ากะทั่งถึ ง, งเราได้ในสัญญาจะเขาานน้าสัญญาวทิาความกำหนดสัญญาที่เป็นไปในว่าสัญญาก็ดับก็ดับนี่เราจึงเป็นขอพิสัญญาทโรดแท้ ความดับนี้โลดอย่เอกเอกแค้ในธรมรมวินัยของพระพุทธนิจภาตัวในธรมรมวินัยของธรรมจัมของ ร, องรัชทิศอนาศาสนาอินดับได้ยางสูงทำไมเลวสัญญานาสัญญาจะชนะเขาเข้าใจผิดก็เป็นับพิษสัญญาโลดแล้วจึงได้เป็นแสดงให้ปว ด, ดสภาภาคปานเป็นดับทนันพอแสดงถึงกนี้ปวดสภาภาคก็ร้องสามทุกอ่างว่ามีซึมพระเจ้า่ะไพ่รอดจริงพระเจา้าภาทรงแสดงมีเหตุผลดีแค่พระเจ้า่ะแล้วก็ คุถามต่อไปว่าพระองค์น่ยพยากรณ์ไหมโรคเพียงหรือทีว่าอันเดียวกับอัตตานีหรือโรคหน้ามีไหมตายแล้วจะไปไหนทีว่าดวงนี้กับีว่าดวงดวงหน้าเป็นดวงเดียวกันไหมทีว่าดงนี้กับจรีระนี้อันเดียวกันไหมหรืออืจากกันโรคมีที่สุดที่สุดหรือโรคหาที่พุดที่ได้หรือโรคเป็นข้ามกลางหรือเป็นอัพยากตัปัญหาคือเป็นปัญหาที่เขาสืภาพไม่เป็นพยากรณ์พอคุถามสินี้สิ่แล้ว ท่จิตเจ้าก็บอกดูก่อนปวดะพานทะปัญหาที่เธอถามเรามาทั้งหมดนี้เราเป็พยากรเธฟังแล้วปวสะพานทะบอกทำไมเราไม่จ้าถึงไม่พยากรณ์ตร่าเพราะไม่เป็นืงต้นของสมจรย์ไม่เป็นไปเพื่อความสังระไม่เป็นไปเพื่อธีรคไม่เป็นไปทื่อธรไม่เป็นไปเพื่ีรานเราเป็พยากรมดูก่อนปวดะาทะก็อะไรเล่าที่เราจะพยากรคือมีทุกมีหน่งของพุกมีความดับทุกมีหนทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุก น, นี่นหน้าที่ที่เราจะพยากรณตัดถึงตอนนี้ปูสตาพระก็ร้องสาธสกานอีกเป็ น, นวาระาทิ่3สามมาถึงตอนตชนี้แล้วผูกพริชาชกตัง้งสามร้อยคนไม่พอใจให้พอใ จ, จาการสาธสัานของหัวหน้าก็ตอว่าปูสตานะบอกว่าเออแม่ธรรนมาจานอ่ะดูสิเข า, าคคจะมานโคดมพูดอะไรเออ่ห่อหมกไปตามด้วย่ออไม่มันแหละร้องสาบพูกสาพูดไทุกคังทุกคังเนี่ยไม่มีขัดคอเลยมี่ปสาบสานนั่นแหละ อะไรเนี่ยพวกเราจะจะฟังนไะอ้ปัญหาที่พวกเรายังพถกเถงกันอยู่นะ่ะคือปัญหาเว่าสริะตรงนี้ริะนี้อันเดียวกันไหมโลกหที่อย่างนั้นโลกนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรเมืองต้นของโลกจะอยังไรใครสร้างโลกโลกจะบับไปเมือ่อไรเราไม่ได้ฟังกตะนาคโคดมพูดถึงปัญหาหนี้ออกม า, มาเม่แต่ประเด็นหนงเลยแต่เราฟังเ่อนเองก็ร้องอธิการว่าดึงสิ่งเจ้าขา่าไพ่ร้อยสิ่งเจ้าข่าเร่งนี้นะ่ะเป็นหาก็มาอะไรกันมานอาจารย์โอสตาภาก็ หันหนับหยุดพูดอ no ะ่าน่งนึงะพูดแพูดแกม้หนึหนกกกกนนม่รู้จักคาพูดของบันดุหนไม่รู้ว่าสมณะโคดมพูดทักคาพูดเมื่อสักครู่นี้้งหมดนะเป็นคาพูดของอันดุเท่านั้นเป็นคาพูดที่ไม่ทาให้ต้องทักท้าในวัะเป็นการชีตรงไปสึงความพ้นทุกทั้งสน กอเมื่อพระสมณะภูดงกล่าววาจาที่เป็นบัณฑิตาจาของบัณฑ so be ิตออกมาเช่นน so okay, so ี wife, ้จะไม่ให้เราที่เป็นบัณฑิตจเข้าคนหนึ่งไม่จนสถาการ์ในวัยได้ล่ะพูกแมันงงเหี่โมตปาพระฤยาฤทนองข้ากับิเองว่าฉันตเป็นบัณฑิตนะพ้อ่อข้าฉันไม่ใช่บัณฑิตแล้วก็ที่ไหนที่จะรู้จักสาปการ์ําพิดของพระโต้พวกแกนี่สไม่รู้จักสถาปการเมันงงมันจะบัณฑิตว่างน่ก็พอมาเป็นนามที่สู่ก็ประดิษฐ์นิ้ง ไม่ความท่าคนนี้ไม่ควานข้าที่ว่าจิตตาไม่จิตตาไม่จิตตาก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าคุถามคุณถามว่าเมื่อพรองค์จับมห้ยึดถือในอัตาชิี่เป็นัตาชนิดหยาแล้วก็มาให้ยึถืออัตาชนิดที่สำเร็จและดีใจอันประกอบด้วยองค์อวัยวะและอินทรีย์น้อยหญ่แล้วก็มาให้ยึถืออัตตาดอุอันประกอบด้วยิดาก็ทาชนนี้เท่าใครเล่าที่มา สอนว่ามันคือทิศอย่างนั้นอย่างนั้นถามที่าว่อย่างนี้คำถามสำคัญนะคือว่าความรู้สึกของคนอ่ะมันจะยิ่งไปห้าตาเรื่อยไปเอาละตมสอนเนี่ยละอัปตาชนิดที่ละอัไมาทิศละแต่ขอฉันจะคอยยึดถือฉันนิสิเอาไว้คือว่าแล้ว่ไม่ยอมปล่อยวางกันวางอย่างนึ่ก็ต้องขอพ้าอย่างหนึ่งที่เป็สัมผัสปัญญาของตนซึ่งเป็นใจตั้งใจเบื่อเป็นในปรากฏในวัตถุถึงสารเราอาบตัวตับไปความรู้สึก หน้าาไม่คิดดีย้อนเข้ามาในใจรเหมือนภาพขาวถูกความดําแยนอยากนักี่จะมาแยกเขาทห้เหมือนจะถูกความขาวได้อย่างเดิมยากไม่เตินอันใดความรึกงเขาในจิตต้าที่ต้องมาทมาเทศนาด้วยักษณะนั้นก็เหมือนกันคือามึงให้เองสเลอัาสามนี่แหะแต่เดีวนี้ก้ะจะทอตาอยู่เรือว่าที่นาะเป็นอัาทิจมาไล่อัตตาสามนีล่ะเออจะมัวที่มาไล่สามอันไมาไล่สามอันนี่ล่ะดที่ม่หายตัวนี้ อันนี้แหละเป็นเป็นเรปัจจัยนานับความยธาต า, าวเวเสังขยาโยคะไวยสตตาแล้วก็นัายายะแล้วก็ภูรวมมารตาปพติในศาสตรานับความสัตย์ยังปกติว่าอารตาเป็อย่างนี้คือปกติที่าสอนว่าตาเหมือนกันนะเาจะขัดสายหยาบไล้สายหยาบถือว่าร่างกายที่ิดจากรดามันไี้ในสินน่งแค่ในคนจรงจังเป็นมายาไราสาระสอนอยนี้มกัน แตู่าเอางองนีไว้ต้องมีผู่เล่าสิงดาบ น, นี้เป็ตัวนี้แหละ เ, เป็นตัวสาคัญตัวในจิตตาท็เป็นไปในธรมองนั้นจะต้องมีตัวไล่ตาตาแบบีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตตาโอ้แม้ตาที่นกว่าจะเป็นไอาน้าไม่ล่สามอเน้ออันนี้นแะอะร่สองไม่ไลเนี้อไอ้นี่คือของอันนั้นต้วนี่คือต้องไล่ไปเร่อยแล้วก็จะยังยังดีไเิ่ตอนใ้ให้ให้คับติไว้ว่า อ้ามาว่าอย่างนี้นะฮะว่าถ้าหากว่ามีอัตราจริแรกมาก่อนเราจะเอาตัวนี้อัตราเพราะว่าอัตราเนี่ยมัดดดดดยนเกิดจากตัวจากอขดเราจะคว้าขนานั้น อ, อัตาอุปมาเปรียบนืกับน้ำนมที่เกิดจากไม่โคน้ำนมสด เ, เกิดจากไม่โคเมียว่าที่รังนมสดแปลลูกเป็นชิเป็นนมต้มนมต้มแปลลูกเป็นเนเรียกว่านะวัตถุง แล้ววันตังคือเมย์คุแล้วก็จากเมย์คุนก็แปลรูปเป็นตัดตินคือเมยนใสเมยใสจากตัดตุก็แปลรูปเป็นตัดติมันโดคือยอดเมยใสเใสียเมยใสเสียเมยใสอ้าซ้ำมันแปลเนี่ยพยากรณได้ไหมจิตตาว่าอ่าที่เราที่เราลมสดเนี่ยลมสดน่ะเป็นอันเดียวตับลมส้มพยากร์ได้มไดมไม่ได้พระเจ้าค่ะ มงศพก็ต่างหากมงส้มันต่างหากพระเจ้าค่ะเอาละดีละอาิตะถ้าอย่างนั้นมงส้มเป็นอันเดียวตับนวันมีตังคือเนยข้นพยากรณ์ได้หรือจ๊าไม่ได้พะเจ้าค่ะแม้มงมงส้ก็ต่างกับเนขนพระเจ้าค่ะภาวะมันต่างเสมอพระเจ้าค่ะดีละจิะถ้าอย่างนั้นแล้วนวันมีตังคือเนคน้นน้นักเป็นอันเดียวกับสับสุเนยไหมพยากรณ์เอาว่าเป็นอันเดียวกันได้ไหมไม่ได้พะเจ้าค่ะเพราะภาวะมันเปลี่ยนลึกแล้วพะเจ้าค่ะ จากนะว่ามินตังคือเมย์คุณมาเป็นเมย์ใสแล้วพระเจ้าค่ะถ้า อ, อย่างนั้นแล้วสิทธาอะสับป็นคือเมย์ใสนะี่ยสับปนพยากรว่าเป็นอันเดียวตัดตัวเมย์ใสคือสับปีมนโดได้ไหมคุนตอบว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะมันคนชนิดคนอย่างแล้วพระเจ้าค่ะที่สัดตัว่ามีันใดสิทธาการจะหาอัตรานเนี่ยยอดไม่ได้ทคำนั้น อัตราในสมัยนี้ก็ไม่ใช่อัตราในัปัจจุบันอัตราในอดีตก็ไม่ใช่อัตราในปัจจุบันอัตราในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อัตราในอนาคตก็เมื่อเป็นขึ้นนี้แล้วจะหาตาได้ได้ได้เป็นอย่างไรหาไม่ได้เหมือนกับความแปลรูปของนมจากนมสดเป็นนมต้มจากนมต้มเป็นเนยข้นจากเนยข้นเป็นเนยใสจากเนยใสเป็นหัวเนยใสเราไม่สามารถจะกล่าวบอกว่าไอ้นมนมสดเนี่เป็นอันเดียวกันมต้นให้สามารถจะกล่าวว่านมต้มนี่ยเป็นอันเดียวกับ เนยนไม่สามารถจะคเน้นมันเป็นอันเดียวกับเนยใส่ไม่สามารถะคว่าเนยใส่้าเป็อันเดียวกับเนใสถ้าหาาเป็นอันเดียวกันมันก็แปลไม่ได้สิทำไมถ้าหาาเป็นอันเดียวกันแล้วล่ะอะไรจะมันจะแบ่งล่ะอันนี้เป็องนมสดอันนี้เนมอะรมันจะมาแบ่งเห็นว่าอันหนึ่งเป็นนมสดอันหนึ่งเป็นนมสนอะไรอ่ะที่มาแบ่งถ้าหาว่าถือว่านมสดกับอ่านมสดเป็นอันเดียวกันแล้วก็แบ่ไม่ออกแล้วก็นมสดจะต้องเป็นป็นสดวันนี้ครับจะแปเป็นนมสดนได้ นมต้มแต่เป็นนมต้มมันยังวันยังวังรู้ที่จะมาการเนคนก็ไม่ได้ถ้าหาว่ามันเที่ยงนะหากว่ามาอัตตา้าหาว่าจะอตามเสี่ยงนี้แค่มีของจริงอยู่โดยปรมักริงแล้วก็มีตัวดินเอยู่จริงแล้วก็ไอเจ้าอัตตาเนี่ยจะไปเดเป็นบางภาพิเป็นคนบางภาพเป็นบางชาเป็นเทวนาไม่ได้เลยดัง้ไม่ได้ตัดังต้องเป็นดังนั้นดับดานตลอดไปแล้วก็จะอตาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กเป็นย่ำจะโตได้หญ่ก็ไม่ได้ คุณยายก็เป็นผ้ให่หนัจะ ก, กายเป็นคนแต่ผมหงอกก็ไม่ได้ค น, คนแตผมหงอก็ต้องงอกกัมกนมันขั้จะ ก, กายเป็นคนตายก็ไม่ได้ยไอของหยาบเป็นอย่างนี้ขังใดขัดตาชี้เปียบก็เป็นอย่างอย่างนั้นนาย อ, อุปมาเขามเกี่ยวกันขันนั้นเหมือนกันเหมือนกับการที่ว่ามันค่อยแกไปแต่เมื่อถึงอย่างนี้แล้วถ้าเอาจริงในจิตตาก็ยังงสัย เจ้าทำไม่ทันงั้นแล้ก็เองทํามยังจับต้นอัตตาอย่างนี้ตัวอย่างเช่นว่าอัตตาปีตาพิถเวออัตตาปีหราชาอัตตารนาาดูเกาะพีสุดทหลมือโตคือมือโตเป็นเกาะมือโตเป็นขึ้นขึานถนัดทำไมจับยปงนม่หละทำไมมีขมัาตามันเข้ามาในทุกทุกท่านพระพุทธเจ้าได้ให้ข้อตัดสินอย่างามังในข้อหนึ่งทำนี้จะขัดคำบุวคลอื่นเดินเลยเพราะว่าที่เดเจอที่ตะโกนคำนี้ทอไปเลยทอดเสระจแล้จเลยคือจับว่า อิมาโคจิตาโลกส ม, กมกาากัญญาโลกกิริสโยโลกวูห้าราโลกปัญญติยา ย, ยาิตธาตุโตโมหะติอัปารามัทสันโตติแปลว่าอิมาเป็นงหมดหมายามอตาทั้งหมดิศประเทศทั้งประเทศทั้งหมดอิมาโคติตดูกอนยจิตตทั้งหมดนี่นะอาาทั้งสามประเทศทั้งหมดเนี่ย น, นะเป็นโลกกสมัญญ า, าเป็นโลกสมัญญาเป็นสามมัทสไปที่เขลกกัน เป็นโลกะมิวสิเป็นภาษาของโลกโลกเขพูดเป็นมะเหน่งเป็นโลกะเวหารเออเ า, เ, า, ารเป็นโลกะโวหาหันเป็นค่อยคาที่ชาวโลกเขาวานเป็นโลกะปัญติเป็นมันยัดที่ชาโลกาาายานปภทาตะโตโวหรติปะาคตรย่อมกล่าวเวหาหันไปตามพวกชาโลกเขาด้วยปะทามาตั้งเตติแต่นี่ไรที่ถือเอาอ่ยึกอยแค่นี้โซีุกรแแล้วเดี๋ยาเรายกเอาจิตปทาติข้อนี้มายันปะิดตเนะ อม่านตาทั้งหมดที่ลาบคอยคู่กันคอยเลี้ยเข้าเข้าไปด้วยเป็นลูกกัสมัญญาโลกกัสมัญญาเป็นโลกกนมีลกตูเป็นโลกกัโวหา ร, กกญญาราตูกัมมันย์สถาโคตรย่อมล่เรีย่ยตามเข้าไปด้วยอัปรามาตั้โตตุแต่ได้เข้าไปลูกคขันอัปรรมาตั้นตตุไม่ได้เข้าไปยึดลูกขามจับถหอเอาไม่ได้เข้าไปยึดถือเอาพว้ง่ายว่าเรื่ยกันเลสมมติเปนบัญญัติเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็น ส, สมมาพิจิตุีคนเป็นบด้ว ต, ต, ตัดจานิตัดจระน่งสองนะคือสมมติตัดจักตับประมาทตัดจ่าถ้าเราเป็นผู้ใจสัจะาเพราอันนี้ไข้เขยกันแล้วเราก็จะการวิชาที่สี่ทีโอมแสดงว่าอาตจีตาทิกุลีหราภาอัตจักรณ า, านั้นแสดงในหลัสมมติตัดจ่ า, าอัตจาไม่มี่งิ่งแต่ในขณะที่เราไ ม, ม่ยังไม่เข้าไปถึงนิทานเราก็จะต้องอาตจ่าวอากำเนิดยิ่งยินงเพื่ที่จะเ้าังก่อนไม่มี่งิงที่จะป็ามิ อาศัยความที่เป็นาศัยมายาเป็นที่ึ้นไป็นสืความไม่เป็นมายาอันนี้อาศัยมายาเป็นที่ถืเป็นสื่อความไม่เป็นมายาอันนี้อาศัยขันห้าเป็นที่คือเนสื่อไอาวามที่จะดับขันถ้าหากว่าทำมาไม่ดีไม่ได้อาศัยขันห้านี้เป็นที่คือแล้วเราจะไม่ดับขันก็ไม่ได้จะต้องมีขันให้ดับ้ามีขันให้ดับแล้วเราก็ไม่ไปยืนได้ตายตัวเองอันนี้เป็นหลักสาคัญให้ยจัแยกกันนี่นะครับที่ในสุสปาราสูตรได้แสดงไว้เป็นการให้สติ เกกับเล่อัตตาก็อย่างเด็แต่ว่าโดยมติที่แท้ในพุทธศาสนาแล้ว อ, าตาอัตตาหรือบุคคลโดยปรมัดน่ะม่นไม่ได้การที่เกิดกนี่คิดถึงหว่ามีบุคคลโดยปรมันดน่ะเป็นเพียงแต่กา ร, ร, ารตื่กลามทุกข์สะท้อนติดามสนใจติดเพราะอาจารย์ก็คิดถคณะอื่นเอีโดยอารของพแล้วนไม่ขนาดนั้นคราวนี้มาพิบดนแล้วม่คำพิจะรณาวัตถกยังอุตสา ย, ยกตัวอย่างอุตสายสกตัวอย่างที่จะคือทุกต น, น, น, นี่ะครับ พี่ชายเห็นว่าอาจารย์อยู่ออ่าท่านยกตอย่างอันหนึ่งมาในบาลี ท, าทั้งี่เปกายว่าอาับุคคลโลตรัิษาปัจจิตตาบริบัติเ ท, ทานาติอาจารย์เห็นแล้วว่าแต่ท่ถามอีกว่าท่านยังกล่าวว่าโดยตรรมวมีบุคคลอยู่อย่างนั้นหรือที่อาจารย์ปฏิบุก็รักอามันตาถูกแล้วโอ้ผมถือว่ามีอย่างนั้นอาจารย์เว่าก็ยกทุตปสแยก มั vre, Iowa, ่นลูกอะักมาอานันโดพคะวันตาอตสระด่าึ่งโยโลโก้ซ่โยโลโกติดันตุจจะตึงติตาวตาไม่เท่าเตซึ่โยโลโกติพุจะตึงานนเจ้าอานนท์ที่มีอยุได้ทูลถามพระพุทธมิาคนี้ไ่หนูว่าอินโดโลโกซึ่งโยโลโกติดันเตข้าแต่โลกสู่เจริญคาว่าเลกสือโลกสือนั่นน่ะเป็นทนหน คำว่าลูก okay. ล right. so ุกลิเป็นขนาดคุณหามาอย่างนี้นะแล้วก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัว่ายังไงล่ะสิตตาวตานโคสุตาวตาโมโคพันเตซุ่นเดโโตวุตติสุตมะโคอานันดะซุ่นยังอัตเตนวาอัตตานิเยนวาอัตมะซุ่นเดโลโกติวุตเจติจินจานันดะซุ้นยังอัปเตนวาอัตตาิเยออัตติเยนวาดึงก่อนอนุนเขาพู้นเจ้าสอบพระนล ดูเกาะถนนถึงจากความเป็นตนถึงอย่างอัตเตนะถึงจากความเป็นตนจับอัตตะนิยนวากับถึงจากของที่เมื่อเนื Fo ่งกับตนถึงจากตนจับถึงจากของของตนถึงไปอัตตะอัอัตตากับอัตตะนิยะอัตตาที่ตนอัตตนิยะคือผูกข้องเนึ่องกับตนอันนี้ถึนะนี่แหละเรยกว่าโลกโลกถึงความนิธรรมเ่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกศูนย์โลกศูนน่ะคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ตอบบอกว่าโลกศูนลนยทีนี้หมายความว่าศูนย์จากต้นจศูนยจากความที่มีกับตนโลกทีนี้หมายถึงโลกคือตนคือโลกขึ้นโยเตยิดังจักปุ่มตั้มอัศปฏิยาอุสัติปิเตไดิังสุขังวาสุขังวาอนุกมะสุขังวาตัมติสุ้ิยังัจเตนาวาอัจเเยนาวาโตตังสุ้ิยังเตกับดาสุขิยาเตคาณังสุ้ิยัง พันพาขึนยาเตชีหรานาเตตายนโทธพาขึนยาเตมโนขึ้นโยธรมมาขึนยามโนขึนยานางขึนยางมโนสัมผัสโตขึ้นโยเตยมปิดดังมโนสัมัะปัจจยาอุปัติเีตังสุขังวาุขังวาอมสุขังวาตมปินาอตวนิเยนวามโอนันนาออตวาอิเยนวามายติิติอเวสันโตตินอบว่า โลกโลกที่เีว่าศูนย์ัศูนย์นั้นได้แก่ศูนย์จากตนตัดศูนย์จากของที่นึงกับตนนอกจากนี้ยังที่ว่าจักถูโสตหิมิานกายมนูษย์นะจักถูกวินดาเศวิงดาณที่าวิญญาณานวิญญาณใจยาวินดาณมนวิญญาณก็ขูนจักถูกสัมผัสสัมผัสจะปัจจะยาความเผยขึ้นห็จะกถูกสัมผัสตัศขูนะมึนโสตสัมผัสนี้ได้แหละ กระทั่งถึงมนมูสำขัดตัวศูนย์แม้เวทนาที่เป็นติดบ้างทุกบ้างอคุกมากติดบ้า ง, าางที่ื่องเรืออาจจะนะพายหม่พายนอกก็ทบมันเกิดขึ้นเป็นไปเป็นลำดับั้ตศูนย์จากย่นี้ห น, นึ่อใ่อโินที่จะถามคนเรือกว่าโลกศูนย์โลกศูนย์มีนายยะอภิษฎที่บายตช่นนี้<ม>อภิษ a ที่ด a โตติดมีมาที่หัดมีองมาเป็นติด้ไม่เขียนตอนนี้อาจารย์วิชิอย่าแล้วน้ำเทียปากแล้วถูกกัน ถูกยันทังมาอย่างนี้รัดอย่าก็อ้อมจะแอบว่าว่าอามันตาใชหรือไม่เจ้าข่ะใช่แล้วอ้าวก็ใช่แล้พวกท่านก็ยังที่ถึงีย่าาอยันยาข้าวโดยปรมาณจะมีอัตราสื่อใช่แล้วเราก็อาจารย์เทระวาว่านะอกว่าโดยปรมาณก็มก็นคนถึงว่ามีอัตราสื่อเอนี้นอกจากพุทธพจอย่างนี้แล้วยังเอาหลักอีนว่าอีกคือว่าบางคนนะ่ะอาารู้นี้อาจารย์วิริย์นี่ยังถือว่าเอาเถะขัน้าจะถึงก็ข้ า, าเถอะ แต่ว่าไอ้เหตุปัจจัีไอ้ตนต่ิ่งนี้จะมาเป็นคำหน้ามันต้องเหนื่อสหน้ามันต้องมันสีนน้สิว่างนี้คือว่าเม่ว่าจะเป็นพระอะไรอันไหนมาเป็นมาเป็นต่แหละไม่ว่านี่แหละทามที่นั้นเรามีวิาศาสิตยันกันคือว่ามีสัศพาสิตที่จะยันได้วิศพาสิตในที่นี้ก็คือมาในขนที่ติะกาลขันสวาระวะว่ารู้ตั้งที่เคยอ น, นุปาดูก่อบที่ติดถลายรูปนี้มันคือตนนะ โยตุโสดุโยตปัจจยริปัสสะอุปาดายะตุปิอันตตาม่เหตุที่เหิดของรูปแม่ปัจใจที่เหตุให้เกิดรูปโสดุอันตตาทั้งหมดนี้ก็ไม่เค่ต้นเพราะฉะนั้นเป็คนคาการทำไม่ถูกการไม่เอาละฉันไม่ดิสจีละไม่มีสจว่าลูปเวทนาตั้ ง, างยาวตั้งขันเปยาวเป็น ต, แ ต, แตาานแต่แต่เขาว่าอันนี้จะยึดห้เหตุไอปัจใจที่มาที่ม า, ทาทาทามาเป็นต้นให้เกิดลูกเวทนาั้งยาตั้งขันเาเป็นตน วางจากถุงไปคว้าถุงจะควาอรู่ไปแหละเี่ย้้เจ้าทนัอให้ก่อนบอกทำก่อนแล้วไม่ได้โยติโยติปัโยติปัาอุปาาโยตัตาไม่ไอเหจะให้เสดัจ่ให้เดลูกิ่ก็ไม่จะตนทั้งหมดนี่อะไม่ตนด้วยกันไม่ใช่ว่าแต่รูกไม่ตนม่หุสเตุลูกก็ไม่ใชตนเพราะฉะนั้นจะไปคว้าหมึคว้ามาที่ไหนมก่อนเดนเดินไหน้าตาลไป ไอ้จะมาการในหัตตาเนี่ไม่มีทางเลยม่ีสเลยที่จะมองห็นอัตาไปได้นี่ยตอนนี้ยังไม่พุทธพ์ที่จะมาข้าในหัตาคือว่าในบาลีสังทิตาิดยารั้นขวารวะกเลยชั้นกล่าวเป็นคาถานดิูประมาณรีันเวเดนาปิปูประมามาริจิตูประมาณสัญญาตั้งขาราจะทธลูกมามาโยประมาณกินิยาหนังเบติตาวิจจพังธุนานี่ เหนมันเป ร, มรูมันรปบางรูปปรียบมอนตะฟองน้ทำท่านเปรียบว่ารูปเนี่ยรูปขงเนี่ยเหอนตะองน้ำนะว่าเวรนาปีกตูปมาเวทนาเหล่าก็ปีบเอนต้นนะ้ำม่ริจูปมาทัายาท่านขาราจะทลุปมาสังขามเปียบเหือนต้นกล่อบะลพลุ่นเองเสรียงก็มือน้นกมาริจูปมาจนวิญญาณน้นไอ้เจ้าวิญญาณนี้ก็เหมือนกับนักเงกุนนักเงกุนคื อ, อ, อ, น, คอ น, นันนนน ก, นกบกกมมางยาเป็นต้น เจ้าเจ้านเจ้าเจ้ามังญาคอยหลอกลวงคนเบสตาพิจิปัญนานี่เป็นคำบรรยายคำแสดงของพระพิจิตยาซือเป็นเผ่าพันธุ์อัจฉยะโคตเป็นคำสรุปท้ายในขันทววารวัตตอนหนึ่งในปิภาวะคือว่าอุปมาอุปมาขันห้าเหามือนกับดอกไม้อุปมาเหมือนขัน้าเหมือนับแดดอโตมาขัน้าเหมือนกันบต้นอด้วยอุปมาขันห้าเหมือนกับตองน้า อุปมาหมุนขันหามันจะต่อหน้าอุปามาขันห้ามันจะนักเล่นกลแล้วก็สรุปท้ายพระสังกีปิการจาร์ท่านก็ปู่กคาถาบทนี้ขึ้นเมื่อเราพิจารณาตามวางในคาถาบทนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตื่นจากขมอนั่นคอะไรขันห้านตึ้งตือนว่าหมุนูรุที่ต้องการสวห้าตาในขันห้าหมุนูรุที่ต้องการไม่เกว่า ตอบจ้าขวานแล้วยีนิ่งจนเขาไม่ได้ป่าใหญ่ไปเจอต้นกล้วยก็ตั้งหน้าทาขาเลีไ่ไปแหละทาไปทามาแตก็ไม่มีต้นกลก็าหายทั้งต้น้ายไปเลยทาไปทามาต้นก้หมดายทั้งต้นไม่เหลืหายหมดเตี้ยเลยวัดไปหายไปชั้นใดสัตว์หายที่จะถือหมายเอาห้าในขันข่านนี้ต้อยขันมนามาไม่พบเพราะเหตุนี้ท่านจึงไม่ ข, ข้าผาสิดของเขาเถอี คาิกของพระสุิวัชราว่ามีนัตโตสิปัสตุมาระิกขตังนิเตสุจะต้องฆ่าระุญโชยังในพระสตตประลัติยะท้าหิอังกะมอาราโคสิตสตูรโภอิเอวังทันเทสุสัตตุสุโพสิตสัตโตสัมมาสุรุเมวะหิตัมเวติรุคคังสิสติเวสิตาเวเวเวสิตนานยัตรระทุกข้าสัตตุนานยัตระรุข่านรุสสติวิตรความว่า อ่าเป็นทางนางวัชิราพักมานนะมานะมานางวัชิรากำลังมันเป็นการมฐานตรงตัวอในที่เงียบมานมานคุณให้นางวัชิลาร็จมานคุคให้นางวัชีรา่ะติดมาเล่นตามมาคองเรือนแล้วมันคุณในางวัชิลาอะติดมาเล่นตามมาคองเรือนแล้วก็นางวัชีลาก็กล่าวคาถาเยองมานแสดงว่านางไม่หวั่นไหวแล้วนางเป็นพระรามแล้วเยอมานหรืว่างิณุสัพโตที่ปัดเจติตมาเราพิสุขกตังโมเต้เฮ้มาน เอนงนะเห็นว um ่าลูกศรอยู่ที่นี่ักอยู่ที่นี่ปกนที่นี้คือตุขระอัตปาบุคระชีวะมานวะเป็นใบพุทธของขมาบตาทท้งนั้นแหละว่าให้มานเอเห็นว่ามีลักศรสุแท้จริงหรือติดต่้งข่ารับบุญโชยังในพระเติสัตยลสัตีบอกว่ากุ่ต้อนเนี่ยเป็นสังขารแท้ๆไม่มีอะไรทั้งหมดจิงเป็นุแต่งขึ้นแท้ๆนะเราจะหาขับไม่ได้ในสังขารแท้ๆในสิ่งนี้หาไม่ได้หรอก ภาพอันตะต้พาราอุปมาหมุนกับองสันทาระของรถมาปุะจุข้ามีล้อดินปูนต่างๆมาประกอบองค์กัข้าวาอ้โหิตัดโดรโค้เสียงว่ารถตึงได้ตืงออกมาได้ฉันใดหรือเอาคำว่ารถมีปรากฏขึ้นได้ฉันใดเอวันทันเทศัทนเตโอติ่โาโอติตัเต็ิเต้ตัมมติ เพระที่กประชุมแข่งขันคือเวทนาสัญญา ส, ญ Luna, สัญญาณวิญญาณมาประชุมกันเข้าแล้วคาว่าเป็นมิจฉาศจึงได้เรียกขึ้นมาได้นะทุกขโมยเวรทิ่ตั้มปูติทุกเข้าน้าที่มันเกิดขึ้นทุกขั้งติดผัสติเวติจากทุกเข้าน้าที่มันตั้มดีนะน้าดัตระทุกขั้มปูติน้ำดัตรบทุกขโมยสะตีตื่นจากทุกแล้วก็มีอะไรเกิดแล้วก็อืมจากทุกแล้วก็มีอะไรดับ นี่เปินภาสิของนางวชิราอุปมาว่าคุเหมือนกับกลุมตรวของรถล้อเต็มๆดึงล้อดึงแต่งกันข้าเราจึงเปี่นคาว่ารถออกมาได้ถ้าถอดเต็มๆดึงล้อออกแล้วรถหายโดยทันขันหายใจทำนี่หรือก็หรือแต่ล้อหรือแต่เต็มขงมันหลือแต่ดึงของมันคำว่ารถหาไปแล้วเหมือนกับตัดบุคลเราเขาตานี่ยถ้าเหตุปิดไปคู่แม่ัน หลังห้ามันประคุมประเจุดไปแล้วคำ ม, มันอยากว่าบูคนคำมันอยากว่าสาัตว์ถึงได้ตาเกิดขึ้นแค่จิ่งลาขาหมิ่นนั้นมันนี้ตอนนี้จะพอทุกคนเหรเวลาดี